ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจาให้เกิดสติเกิดปัญญารู้จักชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในโรงพยาบาลนี่มีเทวูตพร้อมเลยในห้องนี้ก็มีนะมีคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็คนตายบางทีมีพร้อมกันเทวูตแก่เจ็บตายพร้อมกันเลยก็มีนะ ในวันเดียวกันนี่มีการเกิดอีกด้วยเนี่ยเพราะว่าสมบูรณ์แบบในโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยผู้ที่ใช้ชีวิตโรงพยาบาลเนี่ยถ้าหากว่ามีสติพิจารณาสักหน่อยเนี่ยมีโอกาสบรรลุธรรมอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะในโรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งผู้ที่มีความทุกทุกทางกายบางรายก็ทุกที่จิตใจบางรายทุกทั้งกายทุกทั้งจิตควบคู่ไ ป, ไปเลย อันนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตเพราะกายกับจิตเนี่ยเขาทํางานสัมพันธ์กันเมื่อกายป่วยใจมักจะป่วยด้วยอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิตถ้าจะเปรียบนะโลกของเราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยที่เราเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยเปลี่ยนเสมือนโรงพยาบาลใหญ่โลกเป็นโรงพยาบาลใหญ่ และผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกเนี่ยคือผู้ป่วยที่ต้องบําบัดทั้งนั้นะเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยคือผู้ปว่วยเดี๋ยวมันก็ร้อนเดี๋ยวมันก็หนาวเดี๋ยวหิวอีกแล้วกระหายน้ําเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยสารพัดอย่างอันนี้คือโรคประจําเราต้องมีการแก้ปัญหาแก้ทุก ให้กับตัวเราเองเสมอๆใช่ไเราคือผู้ป่วยโรงพยาบาลใหญ่ก็คือโลกนี่เราเป็นศาสนาธรรมดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้แลลึกถึงบ่อยๆแล้วก็ จิตใจก็สบายนะมันก็จะละกิเลสได้บ้างนี่แหละคือสัจธรรมของชีวิตไปที่โรงพยาบาลต้องเห็นอย่างเงี้ยได้เงี้ยคิดได้เข้าใจเรื่องชีวิตนี้มากได้โดยเฉพาะอย่างที่โรงพยาบาลลบบุรีเนี่ยโอ้ลูกค้าเยอะเหลือกเกินลูกค้ามากเข้าแถวต่อคิวกันน่าเห็นใจน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอย่างนี้คุณหมอคุณพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง รักษาเข้าไปเถอะไม่มีวันหมดผมเห็นคนไข้ที่ไหนหมดโรงพยาบาลทังทีต้องขยายโรงพยาบาลอยู่เรื่อยไอ้ขยายโรงพยาบาลนี้ไม่ใช่ดีนะแสดงว่าการแพทย์ยนีนน่ไม่ค่อยเจริญแต่คนไข้เจริญไม่ค่อยดีมันต้องยุบโรงพยาบาลแสดงว่าการแพทย์จเจริญก้าวหน้าแต่ก็ไม่ดี่ะเดี๋ยวบุคลากรตกงานดเพราะนั้นทำใจได้ โรคเนี่ยรักษาไม่หมดราบดาที่มนุษย์ยังเกิดมาเนี่ยต้องมีโรคไปก็จะต้องให้รักษาไปเสมอๆวันนี้เนี่ยผมก็มาทําหน้าที่ช่วยคุณหมอช่วยคุณพยาบาลช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยรักษาโรคคนไข้ช่วยในแง่ของความคิดและกําลังใจน่าเห็นใจเพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลนี่มีคุณหมอบางท่านบอกว่าแม่หิวแห้งแล้วเกินไม่ถึงอะไรไม่ค่อยมีความสดชื่นในการทํางาน ขาดความสดชื่นในการทางานไม่มีความสุขกับการทำงานวันนี้ก็มาให้กำลังใจไม่เป็นไรเราเราเครียดกับการทำงานก็ยังดีกว่าเราเครียดเพราะไม่มีอะไรทำเนี่ยไม่มีงานทำยิ่เครียดยิ่งกวานะเครียดกับงานมันยังมีอะไรให้เครียดบ้างแต่ไม่มีอะไรทำเนี่ยโอโ้โหจิตใจมันอ้างว้างเมื่อเรานี่ยไม่มีคุณค่าอะไรเลยไม่มีประโยชน์เลย เพราะว่าประสบการณ์จากผมเองนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะตอนพิการใหม่ๆเนี่ยเดือนสองเดือนแรกคุณหมอรักษาเรียบร้อยแล้วรักษาไม่หายี่ตอพิการตลอดชีวิตกลับไปอยู่บ้านได้โอ้โหตกงานจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านใจมันก็ตกงานโอ้ใจตกงานนี่น่ากลัวนะใจตกงานไม่มีอะไรทำราชการก็ ไม่ให้อยู่แล้วมันหมดสมรรภาพในการทํางานเป็นครูพละศึกษาเนี่ยกระโดดโลดเต้นไม่ได้เนี่ยก็หมดค่าแล้วไปนอนอยู่บนเตียงที่บ้านใจตกงานมันเครียดอีกแบบหนึ่งนะี่ก็ทําอะไรแล้วยิงพิการไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยเออถ้าตกงานแล้วไปไหนได้กอยังชั่วหน่อยไปดูหนังฟังเพลงอันนี้นอนติดอยู่กับเตียงเหมือนคนติดคุกคนติดคุ ก, กกับคนติดเตียงเนี่ยมันคล้ายๆกันนะติดเตียงเนี่ยแย่ติดคุกอีก ติดคุกเดินไปไหนมาไหนได้ติดเตียงเนี่ยมันถูกตีตรวน เ, เนี่ยมันเพราะว่าของผมมาสมัยก่อนมันก็เครียดมันก็ทุกข์แต่ก็ยังดีนะยังมีญาติธรรมมาเยี่ยมเยียนมาก่อนไม่เร็วญาติธรรมนะเรียก ว, ว่าญาติมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกันคุยไปกูมาเขาบอกว่าเขานี่ขี้เกียจทํางานมากเกียจทํางานงานมันวุ่นวายมันเบือ่อผมก็ฟังตรงนี้ก่อนอ๋ะไม่เป็นไรนะ ขี้เกียจทำงานเนี่ยให้ผมไม่ทำให้ไหมมานอนแทนผมสักวันหนึ่งขอแค่วันเดียวถ้าคุณชอบใจนะผมให้นอนตลอดไปเลยและผมจะไปทำงานแทนตลอด ไ, ไม่เอาเอาจริง ก, ก็ไม่เอาเนมันเลยเป็นทุกข์เครียดเพราะไม่มีอะไรทำสุขภาพติตก็ไม่ดีเนี่ยเสียสุขภาพติตการทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยถ้าวางจิตวางใจดีๆนะ ได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินได้ทั้งสถานภาพทางสังคมสังคมยอมรับใครรู้ก็เห็นก็อนุโมทนาว่างานนี้เป็นงานบุญวางจิตวางใจดีเถอะทาด้วยความเมตตานี่แหละเป็นบุญเพราะว่าใครก็ตามที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาคลายทุกข์ช่วยผ่อนช่่อคลายในความทุกข์ได้เนี่ยเพราะว่ามีมีประโยชน์มากเลย จากทุกมากมาเป็นทุกน้อยจากทุกน้อยเป็นปราศจากความทุกข์เลยอันนี้เป็นงานบุญแท้ๆเลยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีความทุกขเวทนาธนาร่างกายมากน่าสงสารช่วยเขาได้ทุเลาเบาบางอาการโรคได้บ้างเนี่ยเราก็เป็นบุญแล้วยิ่งไปได้เจอคนไข้ใกล้ตายเนี่ยโอ้โหเนี่ยเข้ามากำลังใจคนไข้ใกล้ตายเราไปช่วยให้เขามีสติ มีความมั่นใจในความตายเขาจะตายอย่างมีความสุขนะแทนที่จะตกอบายกลับขึ้นสุขติภูมิเนี่ยเป็นงานที่มีบุญแท้เลยให้วางใจดีๆเถอะทีนี้เวลาเราออกจากบ้านจะมาทำงานแล้วก็เปลี่ยนใหม่โอ้วันนี้เราจะไปทำบุญไปถึงโรงพยาบาลเซ็นชื่อจะขึ้นเวรโอ้ น, นี่เรามาขึ้นบุญมันไม่เล่แต่อบุญดังนั้นสุขภาพจิตก็ดีเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้ คนเราเนี่ยถ้าสุขภาพจิต ด, ดีคุณภาพชีวิตก็ดีการงานก็ดีมันสืบเรื่องกันคนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้นจะต้องมีสุขภาพกายดีและก็สุขภาพจิต ด, ดีชีวิตเรามีกายกับจิตนะแต่ว่าความสำคัญนั้นสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญกว่า แต่ถ้าดีทั้งสองอย่างก็ดีนะไม่ใช่ว่าเลือดแต่จิตอย่างเดียวกลายอยู่ไหนก็ไม่รู้ปล่อยเขาไม่ได้ถ้าจะให้เลือกเนี่ยสุขภาพจิต ด, ดีไปก่อนอันนี้มีข้อพิสูจน์ถ้าหากว่าเรามีสุขภาพจิต ด, ดีแล้วเนี่ยไม้ว่าร่างกายเนี่ยอาจจะชำรุดทุดโทรมไปบ้างไงอย่างคนพิการอย่างเงี้ยร่างกายดูแล้วมันไม่ดีผู้สูงอายุเนี่ย แล้วก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนแอแอดเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ดีแต่ถ้าสุขภาพจิต ด, ดีเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะหาความสุขได้ความสุขความทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจแต่กลับตรงข้ามคนที่สุขภาพกายดีและสุขภาพจิตไม่ดีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวโอร่างกายนี่แข็งแรงมาก ดูแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยคนหนุกคนสาวเนี่ยแต่ถ้าจิตใจเขาเนี่ยฟุ้งซ่านซึมเศร้าเครียดควบคุมจิตใจไม่ได้เป็นโรคจิตวิติลิตผู้นี้จะหาความสุขไม่ได้เลยสร้างปัญหามากคือบุคคลที่จิตวิพลิตเนี่ยเขาจะไม่เจอความสุขเลยเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญมากคนเรามากักจะจับหลักผิด โดยการที่ให้ร่างกายดีไว้ก่อนให้ร่างกายดีแข็งแกรงไว้ก่อนลืมจิตใจให้ความสำคัญกับร่างกายเนี่ยมากมากกว่าจิตใจเขาจึงต้องผิดหวังชีวิตจึงมีปัญหาผมเองก็เช่นเดียวกันสมัยก่อนที่จะพิกาลนะนะตอนนั้นเรียนหนังสือระดับมหาวิทยาลายัยจนทั้งเป็นอาจารย์สอนอยู่ในวิทยาลายัยจําตําราฝลั่งมาเลยเขาบอกว่า ซาวมายอินซาวบอดีจิตที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงกายดีซะก่อนจิตจึงจะดีจิตที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยึดหลักฝรั่งไว้ก่อนทําร่างกายแข็งแรงล่ําสันกินอาหารบํารุงร่างกายแต่จิตใจอ่อนแอที่อ่อนแอเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันไหลไปกับอารมณ์ได้ไ ง, ง่ายๆเวลามีอารมณ์มายุ่ยให้รักก็หลงรัก เวลามีอารมณ์มาวยโกรธก็หลงโกรธไม่รู้จักตัวเองไม่รู้ว่าเรามีจิตใจหรือเปล่าจิตเราอยู่ตรงไหนหาจิตตัวเองไม่เจอมันก็วนเวียนอยู่ในอารมณ์แบบเนี้แต่ร่างกายแข็งแรงคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจอ่อนแอคือใจลหลงไหลไปกับอารมณ์ที่มากระทบง่ายๆนั่นคือใจที่อ่อนแอโจนตั้งโชคดีมาได้พิการประสบบัติเหตุพิการยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยร่างกายก็เสียใจเลยเสียไปด้วย เสียหมดทั้งกายทั้งจิตแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะก็พยายามรักษาร่างกายเพื่อให้จิตใจมันดี <c oughs> นะโอ้เสียเงินเนี่ยถ้าดูภาพยนตร์จนจบเนี่ยผมมีการรักษาแบบทั้งองค์รวมองค์แยกเนี่ยโอสารพัดอย่างแพทย์ทางเลือดีิผมหามาก่อนแล้วเลือกมากรักษารักษาจนหมดตัวแต่ไม่ใช่หมดกิเลสนะหมดตัวคือหมดเงินไม่มีทางที่รักษาอีกแล้ว ร่างกายก็ไม่หายใจก็เป็นทุกข์แล้วต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราลองไปรักษาทาง น, นจิตใจบ้างตอนแ้กศึกษาธรรมะได้ฟังได้ยินได้ฟังธรรมะบ้างก็รู้ว่าอ๋อชีวิตเราเนี่ยมันมีกิจอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็เลยเริ่มมารักษาทางจิตโดยการปฏิบัติธรรมไม่ได้รู้จักธรรมะเพราะการอ่านมากมายแล้วอ่านเหมือนกันแต่ว่าอ่านแล้วนี่ยังแก้ปัญหาจิตใจไม่ได้ รู้ทำแต่ไม่มีทมเลยธรรมะนะรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะเลยพูดได้แต่ว่าในใจเนี่ยยังหมุดหิดยังเป็นทุกข์อยู่คิดว่าการอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยยังไม่เพียงพอทฤษฎียังไม่พอมันต้องมีการลงมือปฏิบัติก็ได้ฝึกเจริญสติปฏิบัติธรรมะโดยการฝึกเจริญสติเขาเรียกเป็นภาษาไทยว่าทาความรู้สึกตัว ไม่ได้ไปเดินจงกรมเดินไม่ได้นั่งสมาธิก็ได้ไม่นานเมื่อก่อนผมนั่งได้ไม่นานอย่างนี้แล้วส่วนมากจะนอนอยู่บนเตียงซะมากกว่านั่งได้ไม่นานปฏิบัติธรรมอยู่บนเตียงนอนเนี่ยนอนพลิกมือเล่นเนี่ยทำทั้งวันห้าหกชั่วโมงนอนพลิกมือเล่นเพื่อให้มันเกิดสติให้มีสติจดจ่ออยู่การเคลื่อนไหวของมือเนี่ย ทำมือซ้ายมือขวามาก่อนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงหรือร่างกายทำจนแขนนี่แข็งแรงเลยเหมือนทํากายภาพบำบัดให้กับตัวเองทําด้วยความชอบใจพอใจซึ่งการทํากายภาพวัดนี่ผมเคยทํามาแล้วทําในโรงพยาบาลกลางคุณหมอคุณพยาบาลก็ให้ทํากายภาพเนี่ยเอาใช้อิลาสติกมัดมือแล้วก็ดึงดึงรอกแต่ไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความจําใจ พอทําไปเราดึงลอกดึงที่มือเนี่ยมันแข็งแรงที่มือมันเดินไม่ได้มันก็มองไม่เห็นอนาคตแล้วมันเจินได้ยังไงนอนเวลาพยาบาลเขามองแล้วก็ทําหน่อยแล้วท่านก็หันไปคุยกันเราสบายเราละเราก็เล่นนี่เงี้ยมัน ท, ทําด้วยความจําใจไม่ได้ทําไปทำไมแล้วมันก็ท้อแท้ในใจแต่พอเรามานอนเจริญสติทําการเคลื่อนไหว ท, ทําด้วยความเต็มใจเห็น ไ, ไหมการงานเนี่ยทำด้วยความเต็มใจเนี่ยงานมันก็เจริญ สติมันก็ดีได้อยู่กับปัจจุบันทำอย่างนี้ยแล้วเรายังก็หาอิวิยาบทของเราเนี่ยทําในอิวิยาบทอื่นตามหลักของธรรมะเขาเรียกว่าสติปฐานสี่มีสติดูกายมีสติดูเวทนาดูจิตดูธรรมแต่เรามาเริ่มต้นในการดูกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไปการเคลื่อนไหวการดื่มน้ํา การทานข้าวขับทายพลิกซ้ายพลิกขวาบนเตียงเนี่ยให้มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองตั้งแต่เช้ายันค่ำทำอย่อยางงี้แหละคือการรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเนี่ยจิตมันเริ่มดีการเจริญสติเนี่ยท่านผู้ฟังมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีความสงบอยู่ในตัวมีสติระลึกได้ ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ได้อยู่กับปัจจุบันเพราะมีสติพอมีสมาธิสมาธิที่ทำให้จิตมันสงบเป็นหนึ่งเดียวอารมณ์ที่เป็นเกี่ยวเรื่องกามาคุณมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิความโกรธความพยาบาทก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิความหงอยเหงาสลดทดทูมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิ ความฟุ้งซ่านในความคิดต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นความอะไรสงสัยก็ไม่เกิดขึ้นจิตเป็นอารมณ์เดียวอยู่การเคลื่อนไหวกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันตัดนิวรณเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์มันหายไปเลยจนกระทั่งมันมีปัญญาอยู่ในตัวคือมันรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แค่เราจิตสติเนี่ยกระบวนําทำเนี่ยผ่านมาเยอะๆเลยแต่ละวันเนี่ย นอนหลับสบายจิตไม่ฟุง้งซ่านมันเริ่มมีความสุขลืมความคิดที่ให้เป็นทุกข์ลืมความคิดที่ให้เป็นทุกข์มาเจอความคิดใหม่ๆคิดใหม่ๆคือคิดดีๆคิดเป็นกุศลใช้ชีวิตด้วยการฝึกสติอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นงานที่เป็นกุศลนะหางานให้จิตทำจิตไม่ตกงานแล้วและเป็นงานที่เป็นกุศลด้วยช่วยตัวเราเองก่อนพอเรามีสติมากๆในะแต่ละวันเนี่ย ความหลงลืมมันก็หายไปความสว่างมาความมืดก็หายไปมันเริ่มรู้จักตัวเราแล้วสำคัญว่านะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อรู้จักตัวเราเองนั้นนะรู้จักตัวเรารู้จักชีวิตของเราเป็นยังไง ร, รู้จักอาการของกายรู้จักอาการของจิตนี่คือการรู้ตัวแล้วชีวิตเรามีกายกับจิตพอฝึกสติเนี่ยสติกลับมาดูกายมาดูจิตมาดูตัวเรา มันเห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยซึ่งเป็นรายละเอียดมากมายเลยเวลาผมนี่เวลาปัสสาวะอุจจาระเนี่ยผมจะไม่รู้สึกหรอกแต่พอมีสติแล้วกายมันบอกเห็นอาการที่มันแปลกๆหรอออาการแบบนี้นี่หัวใจเต้นเร็วๆแล้วก็ใบหน้าร้อนเผาๆนี่มันปวดปัสสาว ะ, ะมาดูเซลลูหิตเซลลูหิตนี่มันขดตัวนี่ปัสสาวะแน่นอนหยิบคอมฟอร์ตเข้ามาช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเราเอง อาการปวดอุจจาระเป็นยังไงคนลูกชูชันเราก็รู้เนี่ยปวดอุจจาระแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ก็เรียกคนอื่นมาช่วยเราเวลามันร้อนมันหนาวมดกัดยุงกัดมันบอกกายมันบอกพอเราเฝ้าดูอยู่เนี่ยกายมันบอกสรุกอยู่การแก้ปัญหาตัวเองอย่างนี้ทานอาหารเรื่องของอาหารอาหารที่มันเกินไปหวานเกินไปเดี๋ยวกายมันบอกแล้ว อ๋อเี่ยวหวางเกินไปนะวันนี้เพียงพอแล้วมันมันเกินไปนะเพียงพอแล้วทานต้นน้อยเขาบอกเราซึ่งทุกคนเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วแต่เราไม่มีสติค่อยรู้เท่าทันมันเทนั้ น, นอาหารที่มีสิ่งปนเปื้อนมีผงชูรสเราก็สามารถรู้ได้นี่เรื่องของกายแก้ปัญหาตัวเราตลอดเวลาเลยจนกระทั่งไปเห็นว่าอ๋อความเจ็บไข้ได้ป่วยความพิการเนี่ยเป็นเรื่องของกาย ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของใจนะความพิการคือความไม่สะดวกแต่ใจมันสบายได้ความไม่สะดวกคือความเป็นปกติของคนพิการความทุกข์ที่เกิดจากโรคปลายค่เจ็บเป็นปกติของร่างกายแต่ปกติของใจคือไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยสำคัญว่าใจนี่มันไม่ทุกข์นะแต่ถ้าไปยึดติดกายแล้วก็เป็นทุกข์ปกติของใจคือรู้ อยู่เฉยๆและก็แก้ปัญหาปกติของกายคือโรคภัยก็เจ็บเบียดบินเป็นเรื่องธรรมดามันเห็นตรงนี้แล้วก็ลาออกจากความพิการทางจิตไปเลยจิตไม่ได้พิการแล้วเรืองพิการเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวเท่านั้นเนยมันสบายอยู่แก่ไหนเนี่ยนะชีวิตมันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆสติที่เราฝึกอยู่เสมอๆเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้จักส่วนที่ละเอียดที่สุดในชีวิตเราก็คือจิตใจ ผู้ที่จะเห็นจิตใจดัง น, นั้นต้องอาศัยสติขาสติแล้วก็ลืมดูใจเราเห็นจิตเห็นอาการของจิตคือความคิดไอ้เจ้าความคิดเนี่ยคือต้นปัญหาของความทุกข์นามเห็นความทุกข์มาสู่จิตใจเราความคิดเนี่ยสําคัญมันเป็นเรียกตัวสมูทไทย นำเอาความรักความโกรธความเกลียดต่างๆมาสู่จิตใจล้วก็เพราะความคิดรู้เท่าทันเลยความคิดก็คือความคิดจิตก็คือจิตนะเนี่ยสองอย่างนี้แยกกันนะโดยเพราะปกติเนี่ยจิตนี่มันเป็นปกติอยู่ก่อนจิตเป็นปกติอยู่ก่อนไม่ได้คิดอะไร ว, ว่างๆอยู่แต่ความคิดเนี่ยเป็นแขกที่จอมาสู่จิตเป็นคลางคาว เดี๋ยวเขจะผ่านออกไปเห็นไหมเห็นสองอย่างเนี่ยว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันจิตคือผู้รู้ไว้เฉยๆความคิดคือสิ่งที่จอนเข้ามาสู่จิตและความคิดเนี่ยนําเหตุต่างๆมาสู่จิตใจเรามากมายสารพัดอย่างมันอยู่ในจิตใจเราทั้งนั้นน่ะถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งซึ่งที่เราไม่ได้เชื้อเชิญเราเห็นตรงนั้นอะ่ะ ทุกครั้งที่มีสติความคิดก็จะดับเพราะสตินี่มันตัดความคิดออกไปได้ตัดกระแสของความคิดเนี่ยในเวลาปฏิบัติก็อย่างเนี้ยก็ต้องยกตัวอย่างว่าแมวกับหนูหนูคือความคิดสติคือแมวบ้านเรามีหนูเยอะมากมายไม่ต้องไปไล่ทำหน้าที่เลี้ยงแมวไว้แล้วก็ให้อาหารแมวทุกวัน เมื่อแมวมันโตมันก็จับหนูไปเองไม่ต้องบอกว่าแมวต้องไปจับหนูไม่ต้องเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วการปฏิบัติธรรมนี่ยก็เหมือนกันเพียงแต่สร้างสติเป็นการให้อาหารแมวสร้างสติมากๆเด็กแมวก็ไปจัดการความคิดเองความคิดเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเจริตระตินาจิตออกจากความคิดได้นี่คือทางรอดของการดับทุกข์กับชีวิตเราจริตระติมากๆไปเถอะ เมื่อมีสติความคิดก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีความคิดจะเกิดก็เป็นความคิดที่เป็นกุศล ส, สติเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมฝ่ายดีฝ่ายบุญผู้ปฏิบัติไม่ต้องทําอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ใ น, นรู้ตัวเนี่ยมันก็จะจัดการกับความคิดไปเองจิตมันเสียก็เพราะถูกความคิดที่ปรุงแต่งแต่เมื่อความคิดไม่ปรุงแต่งจิตมันก็ดีจิตมันก็ดีเพราะความคิดไม่ปรุงแต่ง มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ความสดชื่นความเบิกบานปิติปลาโมดมันก็จะเกิดขึ้นความสงบแล้วก็ความสุขมันอยู่ในตัวเดียวกันทั้งนั้นนี่แหละเป็นผลจากการปฏิบัติจะเรียกว่าธรรมโอสดก็ได้จิตมันจะเบิกบานเมื่อจิตเบิกบานดูร่างกายก็ยังพิการเหมือนเดิมร่างกายเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้หมดปัญญาหมอแต่ธรรมะแก้ไขทั้งนั้นจิตใจได้ ถาหกว่าเชื่อตามทฤษฎีของฝรั่งคนนั้นว่าต้องกายดีก่อนจิตถึง ด, ดีตามเนี่ยผมก็หมดโอกาสเมันไม่มีโอกาสหายแล้วพิการไม่หายแล้วผมก็หมดโอกาสที่จะมีความสุขได้แล้วผู้สูงก็อยู่อ่ะผู้สูงอยู่ในร่างกายเป็นไงสุดทมไม่ไหวแล้วอย่างนี้เขาก็มีความสุขไม่ได้เลเขามีโอกาสมีความสุขได้เพราะจิตยังมีหวังที่จะแก้ไข แลวคนที่มีร่างกายเจ็บปวดอ่อนแออย่นี้ร่างกายเ้าหมดโอกาสแล้วจิตก็ไม่ดีอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นจิตสามารถฝึกได้ฝึกให้มีความสุขก็ได้แม้ว่าร่างกายนี้จะไม่มีหวังอยู่แล้วผมก็เลือกฝึกจิตแล้วก็ได้รับผลจากการฝึกจิตจริงๆมีความสุขได้ในสภาพที่ร่างกายเป็นทุกข์นี่อาศัยธรรมโอดสถดัด่างที่เาเรียกว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้เพราะนั้นแพทย์ทางเลือกเนี่ยผมว่าเลือกทางเนี้ <c oughs> ดีที่สุดเลยกายก็รักษากันไปตามหน้าที่จะบีบจะนวดจะทานยาจะฉีดจะให้น้ําเกลือทำไปเถิดแต่จิตใจเนี่ยอาศัยธรรมะเป็นธรรมโอสถอันนี้มันตรงกว่าตรงกว่าแพทย์ทางเลือกต้งเลือ ก, ท า, อกทางนี้โดยเฉพาะ คุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลคนไข้ต้องฝึกก่อนนะฝึกให้ชํานาญซะก่อนฝึกให้ชํานาญแล้วก็จะได้เป็นสินค้านําเสนอ <c oughs> ถ้าสินค้าไม่สมบูรณ์นี่ไม่มีขยกใช้บริการ <c oughs> เป็นสินค้านําเสนอฝึกให้ชำนาญเพราะว่าบางทีเราต้องใช้จะไม่ต้องใช้ใช้กับคนไข้ เพราะคนไข่บางประเภทนี่บาทีเราต้องพูดต้องมีวิธีการให้กําลังใจมีวิธีการพูดมีวิธีการแนะนำเราจะแนะนำอย่างไรเราต้องอาศัยฝึกตัวเราเองก่อนแล้วเราจะเข้าใจเขาอันนี้ช่วยได้เลยแล้วยิ่งคนไข้ที่คุณหมอรักษาแล้วร่างกายหมดหวังจะต้องพิการอย่างเงี้ยต้องตัดแขนหนึ่งข้างเนี่ย โอ้โหคนไข่เนี่ยจิตตกเลยเยจ้าที่ต้องช่วยเก็บจิตให้เขาขึ้นมานะแกก็จิตตกนานเนี่ยเพราะว่าร่างกายนี่แขนด้วนข้าวนี่หมดสิทธิ์ู่แล้วมันมีโอกาสได้งอกแบบหางขี้จกหรอกมันด้วนอยู่งั้ น, นตลอดชีวิตนะแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยเขายังมีหวังที่จะมีความสุขกับสภาพแขนที่ด้วนได้เหมือนกันให้กำลังใจเขาได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งคนไข้ประเภทที่ว่าใกล้ตายเนี่ยคนไข้ใกล้ตายเนี่ยน่าสงสารมากจิตใจสล ด, ดหดหูเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้จะต้องตายภายในไม่ช้าหมอจะพูดอย่างไรจะบอกเขาอย่างไรว่าเขาจะต้องตายในไม่ช้านี่จะมีวิธีพูดยังไงเนี่ยร่างกายหมดหวังเนี่ยแต่จิตใจเนี่ยเขายังมีโอกาสคนไข้ใกล้ตายเนี่ย เขาจะมีความทุกเรื่องต้องพลัดพลากจากคนที่เขาหลักจิตใจห่อเหี่ยวอ้างว้างโดดเดี่ยวเหมือนคนร้ายที่พึ่งขาดกาลังใจตรงนี้แหละเจ้าหน้าที่จะช่วยได้เพราะจิตใจเขายังมีหวังที่แก้ไขขึ้นมาได้เราเพียงแต่ให้สิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าเติมลงไปจิตใจเขาได้ให้กำลังใจให้ความอุ่นออกอุ่นใจอยู่ใกล้ชิดเขา ให้สติเขาเพราะบางรายเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่ความเศร้าหมองแต่ก่อนจะตายเนี่ยเราสามารถเติมสิ่งดีเขาเนี่ยอาจจะมีความสุขก่อนจะตายก็ได้แทนที่จะตกอบไยภูมิกลับขึ้นสู่สุคติภูมิแล้วผู้ที่ช่วยเขาเนี่ยได้บุญมากน้อยขนาดไหนอันนี้สำคัญนะต่อย่างก็ตามเมื่อช่วยคนอื่นแล้วอย่าลืมช่วยใจเรา บางทีช่วยคนอื่นไม่ได้ใจเราเป็นทุกข์อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมะธรรมะต้องไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นช่วยเขาต้องช่วยใจเราเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมใจไว้ก่อนฝึกคิดวิกใจไว้ก่อนอย่าให้เหมือนตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมก็ได้เคยฟังมามันจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้ามันไม่จริงตอนนั้นก็มาจริงตอนที่ผมพูดี ก, ก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งเป็นโรคหัวใจ คุณลุงคนนี้เวียนเข้าเวียนออกจากบ้านกับโรงพยาบาลตลอดทั้งปีเพราะโรคหัวใจกำเริบเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในห้องไอซียูแต่ก่อนจะมาโรงพยาบาลเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไว้หมวดหนึ่งอเผอิญหลานชายไปตรวจเขาถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งแผงหกสิบล้านบาทโอ้หลานชายไม่กล้าไปบอกคุณลุงกลัวอาการคุณลุงจะกาเริบเนี่ยไม่กล้าบอกจะทำยังไงดีไม่บอกก็ไม่ได้ อยากให้คุณลุงได้ทําบุญก็ไปปรึกษากับจิตแพทย์จิตแพทย์บอกไม่เป็นไรผมมีวิธีการจะช่วยครับจิตแพทย์นะเรื่องแบบเนี้ยผมทํามามากแล้วเนี่ยเรื่องการดูแลคนไข้เรื่องประสบการณ์ผมเยอะนะไปคุยกับคุณลุงที่ข้างเตียงคนไข้ชวนคุณลุงคุยลุงเนี่ยมันเรื่องชีวิตเรานี่มันไม่แน่นอนนะสัตว์บัติได้มาแล้วก็เปลี่ยนไป สมบัติผัดกันชมอลุงก็เข้าใจคุยกันถูกคอก็เลยคุณลุงสมมุตินะสมมติว่าคุณลุงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินหกสบล้านบาทลุงจะทํายังไงอันนี้พูดเล่นนะไม่ใช่เรื่องจริงนะั่นลุงกลัวลุงจะโรคหัใจจะกำเลิกคุณลุงก็บอกว่าอ๋อคุณหมอถ้าผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหกสิบล้านบาทผมให้คุณหมอสามสิบล้านทันทีเลยโอ้หมอตาค้างเลยไปก่อนคนไข้ ออคุณหมอไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนนี่ไหมช่วยคนไข้แต่ไม่ได้ช่วยใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องปฏิบัติต้องฝึกสติทําให้เป็นซะก่อนแล้วก็แบ่งปันกันเพราะฉะนั้นแพทย์ทางเลือกรักษณะทางร่างกายจิตใจร่างกายก็คือเนี่ยดูแลกันไปตามหน้าที่ แต่ว่าจิตใจก็อย่าลืมฝึกให้เข้มแข็งโดยสาัยธรรมะโอสถฝึกสติฝึกสมาธิทำให้เกิดปัญญาจะช่วยคนไข้ได้และก็ช่วยตัวผู้ดูแลคุณหมอเองได้ก็ด้วยเอาละนะก็ว่ารู้สึก ด, ดีมากที่ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็มาเป็นการยานามิตรมาให้แง่คิดให้กาลังใจ เพื่อการดําเดินชีวิตไปกับธรรมะอย่างมีความสุขเห็นว่าสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตมีปัญญานําพาตนให้พ้นไปจากความทุกข์แล้วก็มีความพัฒนาก้าวหน้าท่าชีวิตแล้วก็การงานจนมันเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนเถิด